จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรยัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่สรรโลกทั้งหลายความศรัทธาในพระรัตนตรยัย คือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหตุที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญของสัตว์โลกเช่นพวกเราทั้งหลายเพราะพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่รู้ความเจริญที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรพวกเรานั้นยังไม่รู้จริง พวกเราเป็นเหมือนตาบอดคาช้างอยู่ถ้าเราไปคําตรงที่ท้องเราก็คิดว่าช้างเป็นฝาผนังถ้าเราไปคําที่หางเราก็คิดว่าเป็นเชือกถ้าเราไปคลำที่งวงเราก็คิดว่าเป็นงู <Yeah. S 1> แล้วเราก็มาถกเถียงกันว่าอันนั้นคือความเจริญอันนี้คือความเจริญ แต่ความจริงแล้วเราไม่รู้ว่าความเจริญนั้นเป็นอย่างไรชีวิตของพวกเราจรึงไม่ค่อยได้เจริญกันเท่าไหร่เพราะเราไปคลาผิดที่ไปเห็นในสิ่งที่ไม่เจริญว่าเจริญนั่นเองเราต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอน มีพระอริยสงสาวกเป็นผู้คอยนำทางเพราะท่านเป็นเหมือนคนตาดีพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราจะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ถ้าเราไม่มีคนตาดี นำทางเราไปดังนั้นการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงสาวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราควรที่จะปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ ไม่รังเลยสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสากเมื่อเราไม่รังเลยเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะได้รับประโยชน์สุขที่เราปรารถนากันอย่างแน่นอนดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อน เราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนเป็นอย่างไรพระอริยสง์สาวกมาจากที่ไหนเราต้องศึกษาพระรัตนตรัยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราจะเกิดศรัทธาขึ้นมาพระพุทธเจ้านั้นคือใครพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลธรรมดาเหมือนพวกเรานี้แหละ แต่พระ อ, องค์ทรงได้สะสมบุญบารมีมามากจนทำให้พระ อ, องค์นั้นมีความสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นกันได้คือพระ อ, องค์ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติจนปรากฏมี ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาตัดสรลุพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญารู้ว่าอะไรคือความสุขความเจริญที่แท้จริงรู้ว่าอะไรไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความเจริญอย่างแท้จริงพระองค์ได้ทรงพบความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงแล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อหลังจากได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็จะปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้พบกับความสุขและความเจริญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ กาเป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกขึ้นมาผู้ที่สามารถทาหน้าที่นำทางแทนพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นร่างกายของท่านก็มีอายุเพียง80ปีหลังจากนั้นท่านก็ไม่สามารถทาหน้าที่นำทางสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงได้ ก็ต้องมีพระ อ, อริยสงสาวกที่สามารถนำทางพาสามโลกต่อไปได้พวกเราจึงไม่ปราสจากผู้นำทางตลอดระยะเวลา2500กว่าปีของพระพุทธศาสนามีพระ อ, อริยสงสาวกรับทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าสืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบันนี้พวกเราขอให้มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการถ่ายทอดด้วยพระอริยสงสาวกนี้เถิดแล้วพวกเราจะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริง mm. เช่นเดียวกับผู้ที่ผ่านมาในอดีตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ยังมีประสิทธิภาพมีความสามารถที่จะพาผู้ที่มีจิตศรัทธาให้ได้ไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จตับขันธ์พระนิพพานไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่การปฏิบัติเพื่อ ผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับนั้นก็ยังสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ดังนั้นขอให้เราอย่าไขว้เขวอย่าไปคิดว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมดประสิทธิภาพไม่สามารถนาพา ให้พวกเราไปสู่การการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงได้พระธรรมอันนี้แหลวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบคำถามของพระรูปหนึ่งว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้า ตายจากพวกเราไปแล้วจะทรงแต่งตั้งให้ใครเป็นอาจารย์เป็นศาสดาต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วที่สอนไว้ให้แก่สารโลกที่ดีนี้แล้วจะเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดา พวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากที่พึ่งถ้าเธอศึกษาพระธรรมคำสอนของพระตถาคตคำสอนของพระตถาคตนี้ไม่ว่าใครจะนำเอามาสัง่งเอามาสอนก็ตามถ้าสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำจะเหมือนกับได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว เพราะพะธรรมคำสอนนี้เป็นอาการลิโกแปลว่าไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ย่อมต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาเช่นชีวิตของพวกเราก็ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาอาคารต่างๆก็ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลา สร้างอาคารทิ้งไว้สักน้อยปีสอ0ปี300ปีก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นซากสลับหักพังไปแต่พ่อําคํคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปตราบใดถ้ายังมีผู้ศึกษาและปฏิบัติอยู่ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะมีผู้มีศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นคนตาดีเป็นคนที่สามารถพาคนตาบอดอย่างพวกเราให้ได้ไปพบกับสิ่งที่ประเสริฐที่ดีได้ก็มีผู้ที่เชื่อ และนำเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปศึกษาไปปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมากลายเป็นผ้าอราิยสงสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยจนถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้าตราบใดมีการศึกษามีการปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตราบนั้นจะมีผู้ บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเสมอเพราะการบรรลุธรรมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้พุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติเหมือนพวกเรานี้แลที่มีศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาเราคงไม่มา วัดกันในวันนี้มาทำไมถ้าไม่เชื่อในเรื่องบุญในเรื่องบาปในเรื่องนรกในเรื่องสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่มาวัดกันเราจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขกับการดูการรับประทานการได้ยินได้ฟัง สิ่งต like, ่างๆแต่เพราะว่าพวกเรามีความเชื่อนั่นเองเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อมรรคผลนิพพานว่ามีจริงและพวกเรานี่แหละเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราเป็นคนสร้างบุญเราเป็นคนสร้างบาปเราเป็นคนสร้างนรกเราเป็นคนสร้างสวรรค์เราเป็นคนสร้างมรรคผลนิพพาน เราเป็นคนสร้างการหยุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ที่ตัวเรามีอยู่ในใจเราใจเรานี่แหละที่เป็นผู้สร้างบาปผู้สร้างบุญแล้วก็เป็นผู้สร้างนรกเป็นผู้สร้างสวรรค์แล้วก็เป็นเป็นนรกเป็นสวรรค์ขึ้นมานรกสวรรค์หรือมรรคผลผนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เป็นสถานที่ แต่เป็นสภาพจิตของพวกเราถ้าเราทำบุญสภาพจิตของเราก็จะดีมีความสุขมีความสบายนั่นก็คือสวรรค์แล้วถ้าเราทำบาปสภาพจิตของเราก็จะย่มแย่ก็จะมีความทุกข์มีความรุ่นร้อนนั่นก็คือนรกท่านถึงตัดไว้ว่านารกในอกสวรรค์ในใจนั่นเอง ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี่แหละแต่ใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้ใจของเรานี้เป็นนามธรรมแต่มีความเกี่ยวพันกับร่างกายอันนี้เหมือนกับเรากับโทรศัพท์มือถือของเราเรากับมือถือโทรศัพท์นี้มีความเกี่ยวพันกันแต่เราเป็นคนละส่วนกัน แต่เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนี้ติดต่อกับคนที่มีโทรศัพท์มือถือได้ฉันใดใจนี้ก็สามารถใช้ร่างกายเหล่านี้ติดต่อกับร่างกายของผู้อื่นได้เช่นเวลาเราคุยกันนี้เราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่เรานี้ไม่ใช่ร่างกาย เราเป็นใจที่สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายฟังเช่นตอนนี้เราสั่งให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วตั้งใจฟังเสียงที่เข้ามากระทบกับหูเมื่อเข้ามากระทบกับหูแล้วก็จะส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจก็รับรู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่ แต่ใจกับร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเป็นคนละส่วนกันเหมือนเรากับโทรศัพท์มือถือเป็นคนละส่วนกันโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือของเราร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมือของใจใจใช้ร่างกายนี้สร้างบุญสร้างบาปสร้างนรกสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานสร้างการเวียนว่ายตายเกิด ใจนี้เป็นผู้สร้างโดยอาศัยเครื่องมือคือร่างกายเช่นตอนนี้ใจกำลังมาสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานด้วยการใช้เอาร่างกายมาวัดสั่งให้ร่างกายไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆมาถวายพระเพื่อเป็นการทำบุญแล้วก็สั่งให้ร่างกายนี้นั่งอยู่เฉยๆฟังเทศฟังธรรม เพื่อจะได้เกิดปัญญาความรูม้ความฉลาดที่จะสามารถเอาไปปฏิบัติเอาไปสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงได้ก็คือมรรคผลในภานนี้นี่คือความสุขที่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงเจริญในใจของเราไม่ใช่เจริญที่เงินทองไม่ได้เจริญที่ตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ได้เจริญกับการยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ได้เจริญกับการมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเสื่อมหมดไปนั่นเองมีลาบต้องจะมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบเป็นธรรมดา มียศก็ต้องสืบยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญย่อมมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะก็ย่อมมีทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะเป็นธรรมดานั่นเองจึงไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความเจริญที่แท้จริงต่อให้สร้างให้มากเท่าไหร่ก็ตามให้มีเงินกองเท่าภูเขา มีเป็นแสนล้านพันล้านหมื่นล้านก็ตามแต่สักวันหนึ่งก็ต้องสูญหมดไปเพราะเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเงินทองทุกบาทที่เราหามาได้นี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยเอาไปได้ก็คือบุญหรือบาทนารกหรือสวรรค์มรรคผลนิพพาน หรือการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะเอาไปได้สิ่งเหล่านี้แลคือความสุขความเจริญที่แท้จริงหรือคือความทุกข์ที่แท้จริงนั่นเองสิ่งที่ใจเอาไปได้แต่สิ่งที่เราเอาไปไม่ได้นี้ไม่ถือว่าเป็นของแท้เป็นของชั่วคราวเราเอาใครไปไม่ได้เอาสามีไปไม่ได้เอาภรรยาไปไม่ได้ เอาลูกไปไม่ได้เอาพ่อไปไม่ได้เอาแม่ไปไม่ได้เอาเงินทองไปไม่ได้เอารถไปไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปไม่ได้เอาบ้านไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยทั้งหมดที่เรามีอยู่ในโลกนี้แล้วเราจะไปหามันมาไว้มากๆทําไมให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆทาไมเราไม่เอาสิ่งที่เราออกไปได้ก็คือ สวรรค์นในใจเหล่านี้ความสุขในใจที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลนี้ทำไมเราไม่เอากันทำไมเราบัวแต่ไปหาความสุขที่เราเอาไปไม่ได้ต่อไปเวลาเราแก่ลงไปตายไม่ดีเราก็ดูหนังไม่ได้หูไม่ดีก็ฟังเพลงไม่ได้ร่างกายไม่สบายก็กินอาหารชนิดต่างๆไม่ได้ เวลาแก่แล้วก็จะมีโรคต่างๆมีเบาหวานมีความดันมีโรคหัวใจจะกินให้นั่นก็ไม่ได้จะกินให้นี่ก็ไม่ได้เพราะกินไปแล้วจะทำให้ร่างกายตายนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังไปหากันพยายามสร้างกันสะสมกันให้มากๆโดยที่เราไม่คิดถึงวันที่เราจะต้องทิ้งมันไปจะต้องจากมันไปเลย พอถึงวันนั้นเวลาเราไปเราจะไปแบบขอทานจะไปแบบมือเปล่ า, ลาจะไปแบบเปลดจะไปแบบต้องรอให้ญาติส่งสเสบียงไปให้ต้องรอให้เขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ถ้าเขาไม่อุทิศไม่ส่งกุศลไปให้ก็ต้องอยู่แบบโอดอยากขาดแคลนรอไปจนกว่าวันที่เขาทาบุญแล้วเขาอุทิศบุญให้เท่านั้น ถ้าวันไหนเขาไม่อุทิศบุญให้วันนั้นก็ต้องอดไปนี่คือสิ่งที่พวกเรากาลังทากันอยู่เราจึงควรที่จะหันการกระทาของเราไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงเถิดเราไม่ควรที่จะไปสร้างประโยชน์สุขที่ไม่แท้จริงมากจนเกินไปให้มีไว้พอให้เราอยู่ได้อย่างสุขสบายก็พอแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านไม่จำเป็นต้องมีบ้านอยู่ทุกประเทศมไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องบินส่วนตัวมไม่จำเป็นจะต้องมีคาลฮา ต, ตามตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆสิ่งเหล่านี้ต่อให้มีมากเพียงไร ก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเพราะเราต้องคอยดูแลรักษามีบ้านหลังหนึ่งก็ดูแลรักษาเพียงหลังเดียวมีสิบหลังก็ต้องดูแลสิบหลังมีรถคันเดียวก็ดูแลเพียงคันเดียวมีสิบคันก็ต้องดูแลสิบคันแต่เวลาใช้ก็ใช้ได้เพียงคันเดียว เวลาอยู่ก็อยู่ในบ้านเดียวเราไม่สามารถอยู่ในบ้านสิบบ้านได้พร้อมๆกันไม่สามารถขับรถสิบคันไปพร้อมๆกันได้แล้วเราไปมีอะไรมากๆไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรมีกระเป๋าไว้สิบใบทำไมเมื่อเราใช้ทีละใบมีรองเท้าไว้ร้อยคู่ทำไมเมื่อเราใช้รองเท้าเพียงคู่เดียวมีเสื้อผ้าเป็นพันชุดไว้ทำไม ในเมื่อเวลาเราใช้เสื้อผ้าเราก็ใช้เพียงชุดเดียวเราฉลาดหรือเราโง่กันแน่เราเหนื่อยยากเราทุกข์ยากลำบากกับการหาเงินหาทองหาข้าวหาของแล้วก็ต้องมาเหนื่อยยากกับคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปอย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรือโง่กันแน่ เรากำลังสร้างความสุขให้กับเราหรือเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราทำไมเราไม่คิดดูกันบ้างทำไมเราไม่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ฉลาดแท้พระพุทธเจ้าอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบนับน้อยสันโดษเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นคอยอยู่ในวังมิวประมีปราสาทราชวังถึงสามหลังด้วยกัน สามฤ ด, ดูแต่ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยปกป้อง mm. พระ อ, องค์ทรงตัดทรงสละหมดเลยเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นคือขอให้มีบาทใบเดียวก็อยู่ได้แล้วตอนเช้าก็เข้าไปในหมู่บ้านบินทะบา ได้อาหารอะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็รับประทานมันไปแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายใจเพราะใจไม่มีอะไรต้องมาห่วงต้องมาห่วงต้องมากมังวลนั่นเองอยู่อย่างไม่มีความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายทั้งหลายเพราะทรงตรงได้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ต้องพัดท่าจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดาจึงไม่ทรงยึดติดกับอะไรไม่เสียดายกับอะไรไม่อยากจะมีอะไรพร้อมที่จะตายทุกเมื่อพร้อมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมที่จะแก่นี่คือวิถีทางของคนฉลาดต้องเป็นอย่างนี้การกระทำอย่างนี้อย่าไปคิดว่า จะลำบากจะทุกข์ยากแต่เป็นความสุขอย่างยิ่งอาจจะทุกข์ยากลำบากในตอนเริ่มต้นเพราะเราไม่เคยอยู่อย่างนั้นเราเคยอยู่อย่างฟุ่มเฟือยพอเราต้องมาอยู่แบบมักน้อยสันโดษเราก็จะรู้สึกว่าลาบากลำบนแต่คนที่เขาเคยอยู่แบบมักน้อยสันโดษมาเป็นประจำเขาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเขาอยู่ได้อย่างสบาย ดังนั้นพวกเราอย่ากลัวกับการอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอริยสงสาวุเพราะนั่นคือการอยู่แบบที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงคือความสุขทางจิตใจจิตใจจะไม่มีความหวาดกลัวจะไม่มีความกังวลจะไม่มีความเดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตาม ใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของตนเองจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจรู้ทันแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราของเราและจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหมด เราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยน อ, อกจากใจของเราทท่านั้นและความฉลาดที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสาระเป็นแบบฉบับถ้าเราสามารถประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกประพฤติได้รับรองได้ว่าเราจะ พบกับความสุขที่มหัศจรรย์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนเราจ้องพยายามทำให้ได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านสละหมดทุกอย่างพวกเราสละได้ไหรือไม่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราก็ต้องทำได้เพราะอะไรเพราะมีคนอื่นเขาทำได้นั่นเองถ้าไม่มีคนอื่นทำได้ ก็จะไม่มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาให้พวกเรากราบไหว้กันแต่มีพระอริยสงสาวกให้พวกเรากราบไหว้กันจนถึงทุกวันนี้เขาสามารถทำตามพระพุทธเจ้าได้เขามีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรเขาก็ตัดได้หมดสละให้ผู้อื่นได้หมดเขาสละได้แม้แต่สามีภรรยาลูกพ่อแม่ เขาสละหมดเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นอันตรายต่อจิตใจของเขานี่คือเรื่องที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญการยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะก็หมายถึงยึดแบบฉบับของท่านนั่นเองแต่ถ้าเรายึดพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะแต่เราไม่ทำตาม ก็แสดงว่าเราไม่ได้ยึดจริงเราไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสราณะอย่างแท้จริงถ้าเราไม่มีแล้วเราก็จะต้องไม่มีที่พึ่งนั่นเองไม่มีสิ่งคุ้มครองชีวิตจิตใจของเราชีวิตของเราจิตใจของเราก็จะต้องถูกความทุกข์มาเหยียบย่าอย่างแน่นอนอย่างที่เขากำลังเหยียบย่าเราอยู่ทุกวันนี้ ทุกวันนี้เรายังทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้อยู่ยังกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้อยู่ยังห่วงเรื่องนั้นยังห่วงเรื่องนี้อยู่ยังหวงสิ่งนั้นยังหวงสิ่งนี้อยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่แท้จริงนั่นเองเพราะเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงนั่นเองถ้าเราอยากจะได้สารณะ มาคุ้มครองดูแลใจของล้าแล้วลเราต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสาธระที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป